เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามลีนาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่าง จากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำภารกิจทางจิตใจเพราะชีวิตของเรานั้นมีอยู่สองส่วนด้วยกันคือมีร่างกายและมีจิตใจที่เราต้องดูแลรักษาทํานุบำรุงทั้งสองส่วน เป็นเหมือนกับลูกแฝดกายกับใจเป็นเหมือนลูกแฝดของเรากายเป็นน้องใจเป็นพี่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็ไปทำมาหากินหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงน้องลูกคนเล็กคือร่างกายพอวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดหรือวันพระ เราก็หยุดงานทรมาหากินเลี้ยงร่างกายมาทํางานเลี้ยงจิตใจเพราะถ้าจิตใจไม่ได้รับการเลี้ยงดูเหมือนกับร่างกาย จ, จิตใจก็จะมีแต่ความทุกข์ความทุกข์เือและความสุขของใจนี้มีตําหนักมากกว่า ความทุกข์และความสุขของร่างกายถึงแม้ร่างกายอาจจะอยู่อย่างเป็นสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีปัจจัยสี่พร้อมบูนแต่ถ้าใจทุกข์แล้วความสุขของร่างกายก็ไม่มีความหมายอะไรคนบางคนมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีบ้านใหญ่โตมี เสื้อผ้าหลายสิบตู้แต่พอเวลาใจเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ไม่มีความสุขกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่บางครั้งอาจจะอยากฆ่าตัวตายหนีความทุกข์ใจไปคนที่ฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้ทุกข์ที่ร่างกายแต่ทุกข์ที่ใจความทุกข์ของใจนี้จึง มีพลังมากมีพลังที่จะผลักให้คนไปฆ่าตัวของตนเองได้แต่ความทุกข์ของร่างกายนี้ไม่สามารถทำได้ถ้าใจมีความสุขเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายร่างกายของท่านก็ไม่มีอะไรมากมายมาดูแล ไม่มีบ้านใหญ่โตไม่มีเสื้อผ้าเป็นสิบสิบตู้ไม่มีอาหารรับประทานได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มียารักษาโรคแต่ท่านกลับไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากลำบากของร่างกายเพราะใจของท่านมีบร ม, มีสุขมีปรัมสุขขังนี่แหละคือความสุข ที่จะทำให้ไม่เดือดร้อนกับการเดือดร้อนของร่างกายเช่นเวลาร่างกายแก่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปใจของผู้ที่มีความสุขที่เรียกว่าบารลมะสุขนี้จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเลยนี่คือความแตกตา่าง ระหว่างความสุขความทุกข์ของร่างกายและของจิตใจต่อให้ร่างกายสุขมากน้อยเพียงไรถ้าใจไม่สุขเสียอยา่างความสุขของร่างกายก็ไม่มีความหมายอะไรต่อให้ความทุกข์ของร่างกายมีมากน้อยเพียงไรถ้าใจมีความสุขความทุกข์ของร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดดังนั้นเราต้อง ให้ความสำคัญกับจิตใจมากกว่าร่างกายเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานและใจเป็นผู้ที่ไม่ตายร่างกายนี้ต้องตายไม่ว่าจะทำอะไรดีขนาดไหนกับร่างกายถึงวันหนึ่งร่างกายก็ต้องหยุดหายใจเพราะนี่เป็นธรรมชาติของร่างกาย แต่ใจนี้ต่อให้ทำอย่างไรกับใจใจก็ไม่ตายทำได้ก็คือทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจเท่านั้นเองถ้ายังมีความหลงยังมีความอยากยังมีความยึดติดกับร่างกายและสิ่งต่างๆที่ร่างกายได้หามาเป็นสมบัติเช่นคู่ครองสามีหรือภรนยา บุตรธิดาและสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆถ้าหลงรักยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเป็นอย่างมากดังนั้นนอกจากดูแลร่างกายด้วยการหาปจัจจัยสี่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วในวันเสาร์วันอาทิตย์ หรือวันพระก็ควรที่จะหยุดงานทางร่างกายแล้วมาทำงานทางจิตใจเพื่อที่จะได้หาปัจจัยสี่มาเล่งจิตใจถ้าจิตใจได้รับปัจจัยสี่แล้วจิตใจก็จะมีความสุขไปตลอดนี่คืองานที่พวกเรา ควรจะทำกันควรจะทำทั้งงานของร่างกายและงานของจิตใจงานที่เราไม่ควรทำก็คืองานของติเลธตันหาอันนี้เป็นงานที่จะสร้างความทุกข์เอาไฟมาเผาใจของเราติเลธตันหาคืออะไร ก็คือความโลภความอยากในสิ่งที่ไม่จาเป็นต่อร่างกายและจิตใจนั่นเองเช่นถ้าร่างกายมีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วอยู่ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนแล้วถ้าอยากได้มาเพิ่มมากไปกว่านั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความอยากจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไปเ ป, ปล่าๆและก็จะไม่ได้ทำให้ร่างกาย มีความสุขมากขึ้นไปกว่าเดิมไม่ได้ทำให้จิตใจมีความสุขมากไปกว่าเดิมแต่กลับจะสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเพิ่มมากขึ้นไปเพราะเวลาได้อะไรมาแล้วก็จะต้องเป็นภาระทางจิตใจจะต้องคอยดูแลรักษาจะต้องคอยหวงคอยหว่วงและก็ต้องมาเสียใจเวลาที่สูญเสีย สิงเหล่านั้นไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนให้มีความมักน้อยในปัจจัยสี่หรือให้มีความสันโดษเยินดีตามอัตภาพตามความสามารถที่จะหามาได้หามาได้มากหรือน้อยก็ให้พอใจถ้าจากใดทําให้ร่างกายนี้อยู่ต่อไปได้ ก็ถือว่าใช้ได้แล้วอย่าไปดิ้นรนหามาต่างชาวบ้านเขาเห็นชาวบ้านเขาอยู่บ้านหลังลาหลายล้านก็อยากจะอยู่กับเขาเราไม่ต้องมีบ้านหลายล้านเราก็อยู่ได้มีบ้านเช่าเดือนละสองสามพันก็อยู่ได้เหมือนกันทำหน้าที่ได้เหมือนกันคือป้องกัน ร, รักษาร่างกาย ให้พ้นจากภัยต่างๆเช่นพ้นจากอากาศหนาวเย็นหรือฝนตกหรือแดดร้อนหรือโจ์ผู้ร้ายเรามีบ้านอยู่มันก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบ้านราคาหลังลาร้อยล้านหรือบ้านที่เราเช่าอยู่เดือนละสองสามพัน<ๆ>ก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันอย่าไปทุกข์วุ่นวายกับการแสวงหา รับเพื่อที่จะมาซื้อบ้านใหญ่ๆโตๆหรือซื้อสิ่งของต่างๆที่ไม่จาเป็นถ้าจาเป็นก็ให้อินดีตับสถานาพเช่นรถยนต์สมัยนี้ก็มีความจาเป็นเพราะจะตั้งเดินทางไปไหนมาไหนถ้ามีรถยนต์พอใช้ได้แล้วก็ควรจะพอใจได้แล้ว ถ้ายังวิ่งไปไหนมาไหนได้ก็ควรจะพอใจอย่าไปดินน้นรนซื้อลดราคาแพงๆ พ, พอเห็นคนอื่นเขามีก็อยากจะมีเหมือนเขาความสุขมันไม่ได้มากไปกว่ากันหรอกมันก็นั่งไปจากที่นี่ไปที่นั่นได้เหมือนกันสู้อย่าไปลำบากกับการต้องหาเงินหาทองมาผ่อนรถ ควรจะเก็บเงินเก็บทองเอาไว้สำหรับเผื่อในวันข้างหน้าจะดีกว่าวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดสามารถหาเงินหาทองได้อย่างทุกวันนี้หรือไม่จะมีอาการครบสสองหรือไม่เราไม่รู้เศรษฐกษิจจะดีเหมือนวันนี้หรือไม่จะมีงานทำเหมือนวันนี้หรือไม่ เราไม่รู้เราจึงควรมีอะไรสำรองไว้เผื่อวันข้างหน้าดีกว่าใช้ไปกับความอยากต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นเช่นซื้อของมากจนเกินไปเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ถ้าเรามีพอสมควรต่อการใช้งานแล้วเราก็ไม่ควรที่จะซื้อมาเพิ่มอีกควรจะเก็บเงินเก็บทองไว้ หรือถ้าเก็บเงินไว้มากพอแล้วก็ควรที่จะมาสร้างปัจจัยสี่ให้กับจิตใจเรายังต้องมีปัจจัยสี่สำหรับจิตใจเพราะถึงแม่ร่างกายของเราจะมีความสุขแต่ถ้าใจของเราขาดปัดจจัยสี่ใจของเราก็จะมีความทุกข์แล้วความสุขของทางร่างกายก็จะไม่มีความหมาย ดังนั้นถ้าเรามีเงินเหลือพอที่จะเอามาซื้ออาหารให้กับใจได้เราก็ต้องเอามาทำทานทานนี้คือการให้อาหารใจทานนี้เป็นอาหารใจเพ่าะเมื่อได้ให้แล้วจะเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจเวลายาตโยมได้ทำบุญใส่บาทแล้วจะมีความรู้สึกสุข ใจอิ่มใจพอใจภูมิใจเพราะการให้นี้เป็นอาหารของใจนั่นเองถ้าเราให้มากๆแล้วบางครั้งเราอาจจะไม่อยากจะรับประทานอาหารเลยเพราะใจมีความอิ่มคนที่ทําบุญมากๆนี้มักจะไม่ค่อยร่างกายจะไม่อ้วนเพราะว่าความหิวทางร่างกายมีไม่มากเพราะใจอิ่มนั่นเอง ที่คนกินอาหารมากๆจนเกินความต้องการของร่างกายก็เพราะว่าใจมันไม่หิวมันไม่อิ่มใจไม่ได้รับอาหารคือไม่ได้ทำบุญให้ทานก็เลยเกิดความหิวขึ้นมาก็เลยเอาความหิวนี้ไปเลี้ยงร่างกายแทนซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีทำให้ใจเกิดความอิ่มถ้าใจหิวก็ต้องไปทำบุญ เอาเงินที่จะไปซื้อกับข้าวมากินนี้เอามาทําบุญแทนถ้าเรามีร่างกายมีอาหารพอเพียงต่อร่างกายแล้วเราก็ควรที่จะหยุดให้ร่างกายให้อาหารกับร่างกายถ้าใจหิวเราต้องมาทําบุญให้ทานร่างกายของเราจะได้กลับไปเป็นปกติจะได้กลับไปเป็นน้ําหนักตามปกติ ไม่มากจนเกินไปถ้าเราทำบุญบ่อยๆแล้วต่อไปจะไม่หิวมากจะรับประทานวันละมือ้อสองมื้อก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนรับรองได้ว่าร่างกายจะไม่อ้วนอย่างแน่นอนเพราะใจไม่หิวนั่นเองคนที่อ้วนนี้ส่วนใหญ่ก็เพราะว่าไม่ค่อยได้ทำบุญให้ทานไม่ได้ให้อาหารกับใจใจก็เลยหิวตลอดเวลา กินได้ตลอดเวลากินอาหารเสร็จไปใหม่ๆเดี๋ยวก็อยากจะกินขนมอยากจะดื่มเครื่องดื่มต่างๆแล้วนอนหลับตื่นขึ้นมาลึกๆเดิดนๆก็ยังหิวได้ยังอยากจะกินขนมยังอยากจะหาเครื่องดื่มมาดื่มเพราะใจไม่ได้รับอาหารนั่นเองเพราะฉะนั้นขอให้เราให้อาหารกับใจบ้างด้วยการทำบุญให้ทานถ้าเรามีทรัพย์ เหลือเฟือเกินความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เอามาให้ทานจะดีกว่าใจของเราจะได้มีความอิ่มมีความสุขนี่เป็นอาหารของใจคือทานนอกจากอาหารแล้วใจก็ต้องการเสื้อผ้าอาภรรไว้สวมใส่เพื่อจะได้มีความสวยงามเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้เราพยายาม หาเสื้อผ้าอาภรณ์สวยๆงามๆมาสวมใส่เพราะเราต้องการให้ร่างกายนี้ดูแล้วสวยงามแต่เราลืมไปว่าความสวยงามที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความสวยงามที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจเพราะความสวยงามของจิตใจนี้มีพลังมีอำนาจที่จะดึงดูด ใจของคนได้มากกว่าความสวยงามของทางร่างกายถ้าเราพบคนที่เขาแต่งกายสวยงามแต่งหน้าทาปากหือเ้าหวีผมเราก็จะเกิดความชื่นชมยินดีทันทีแต่ถ้าเราได้สัมผัสได้อยู่ใกล้เขาแล้วพบว่าเขาไม่สวยงามทางจิตใจคือไม่มีศีลธรรมพูดจาก็พูดปด ชอบรับขโมยประพฤติผิดประเวณีรักทรัพย์ของผู้อื่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเสพสารยาเมาถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้ถึงแม้ว่าทางร่างกายของเขาจะดูสวยงามเพียงไรก็ตามแต่มันจะไม่สามารถทำให้เราเกิดความชื่นชมยินดีในตัวของเขาได้ เพราะว่าเขาไม่ได้สวยงามอย่างแท้จริงนั่นเองสวยที่เปลือกสวยที่ร่างกายนี่เหมือนสวยที่เปลือกถ้าเป็นผ ล, ล เ, ปนเป็นผ ล, ลไม้ก็สวยข้างนอกแต่ข้างในเน่าอย่างนี้เป็นต้นใครอยากจะกินผลไม้เน่าถึงแม้เปลือกจะสวยก็ตามแต่ก็จะไม่ชอบกินของเน่ากันฉะนั้นใดคนเราจะเป็นที่รักที่ชื่นชมยินดี กับผู้อื่นนั้นก็ต้องสวยที่ใจไม่ได้สวยที่ร่างกายเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นท่านก็ไม่ได้สวยที่ร่างกายสีรษะก็โลนเสื้อผ้าก็แบบธรรมดาธรรมดาแต่ใจของท่านหลังหากที่สวยงามใจของท่านมีศีลมีธรรมไม่ทำร้ายไม่ฆ่าผู้อื่นไม่รักทรัพย์ของผู้อื่น ไม่ประพฤติผิดกเวนีไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายามราพวกเราจึงกล้าที่จะกราบพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยพบกับพระพุทธเจ้ามาก่อนแต่จิตศักด์ความดีงานของพระพุทธเจ้านี้มันมันเผยแผ่มาจนถึงปัจจุบันนี้นี่คืออำนาจของศีล ท่านเปรียบว่าศีลนี้เป็นเหมือนกลิ่นหอมกลิ่นหอมของดอกไม้สู้กลิ่นหอมของศีลไม่ได้เพราะกลิ่นหอมของดอกไม้นี้จะไปตามลมเท่านั้นแต่กลิ่นหอมของของศีลนี้จะไปทุกทิศทุกแห่งทุกขนทุกเวลาถึงแม้พระเจ้าจะตายไปแล้วถึง 2,500 กว่าปี แต่ความหอมของศิลธรรมของพระุทธเจ้า ก, ก็ยังปรากฏอยู่ในวันนี้ดังนั้นพวกเราอย่าไปหลงกับการสร้างความสวยงามที่ร่างกายด้วยการซื้อเสื้อผ้าอภารนสวมใส่มาเสริมความสวยงามที่จิตใจด้วยการรักษาศิลธรรมนเางๆแล้วเราจะเป็นคนที่สวยงามที่แท้จริง จะเป็นที่รักเคารพชื่นชมยินดีของผู้ที่ได้พบได้รู้จักไม่ว่าจะเคยรู้จักกันมาหรือก่อนหรือไม่กต็ตามถ้าได้พบแล้วรับรองได้ว่าจะชื่นชมยินดีจะรักจะเคารพเราอย่างแน่นอนนี่คือปัจจัยข้อที่สองของใจคือเสื้อผ้าอภรร ที่เรียกว่าศีลธรรมปัจจัยข้อที่สามของใจก็คือที่อยู่อาศัยใจก็ต้องมีที่อยู่อาศัยเหมือนกับร่างกายเวลาฝนตกแดดออกมีพายุมามีภัยพิบัติต่างๆมาเราก็มักจะหลบเข้าไปหลบกันภัยในบ้านกันใจของเราก็มีภัยต่างๆก็คือความทุกข์ ความวุ่นวายใจต่างๆนั่นเองเวลาเราไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจส่วนใหญ่เราไม่มีที่หลบภัยทางใจกันแทนที่เราจะไปหลบภยัยเรากลับไปสร้างภัยเพิ่มขึ้นให้กับใจสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นให้กับใจเช่นเวลาไม่สบายเราก็ไปเดืมสรุรายาเมาอย่างนี้เป็นต้นแทนที่จะทำให้ใจสบายกลับทำให้ใจ ทุกขมากขึ้นไปอีกโดยเมื่อรู้สึกตัวเพราะเมื่อเดืกสุราแล้วก็จะไม่มีสติคุ้มครองอารมณ์ของตนก็จะไปพูดไปทำในสิ่งที่เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นแล้วก็ต้องผู้ที่กระทำก็ต้องรับใช้โทษต่อไปแทนที่จะเข้าไปในสมาธิสมาธินี่แหละเป็นบ้านของใจ เป็นที่หลบความทุกข์ได้ถ้าเรารู้จักทาสมาธิเวลาใจเข้าสู่สมาธินี้จะมีความสุขจะลืมเรื่องต่างๆทั้งหลายที่ทำให้เราเกิดความวุ่นวายใจมีความวุ่นวายใจกับใครกับเรื่องอะไรก็ตามพอเรานั่งสมาธิทาใจให้สงบได้ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปหมดเหลือแต่ความสุขความเย็นสบาย เหมือนกับเวลาที่แดดร้อนข้างนอกบ้านเราก็เข้าไปในบ้านเปิดเครื่องปรับอากาศก็จะอยู่อย่างเย็นสบายถึงแม้ว่าภายนอกจะร้อนเพียงไรก็ไม่สามารถเข้าไปในบ้านของเราได้เพราะในบ้านของเรามีเครื่องปรับอากาศนั่นเองสมาธินี้ก็เป็นบ้านของเราเป็นบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศ ที่จะทำให้เราหลบจากความรุ่มร้อนต่างๆได้เวลาเรารุ่มร้อนกับเรื่องอะไรเข้าไปนั่งสมาธิกันพยายามทำให้ได้พยายามสร้างบ้านพยายามสร้างเรือนใจนี้ให้เกิดขึ้นมาให้ได้เพราะถ้ามีเรือนใจนี้แล้วจะมีที่หลบภยัยหลบความทุกข์ได้ถึงแม้ว่ายังไม่สามารถทำลายความทุกข์ ให้หมดไปได้แต่อย่างน้อยก็มีที่จะหลบจากความทุกข์ได้ชั่วคราวถ้าอยากจะทำลายความทุกข์อย่างถาวรก็จะต้องสร้างปัจจัยข้อที่สีขึ้นมาคือปัญญาปัญญานี้เป็นเหมือนยารักษาโรคใจโรคของใจก็คือความทุกข์ใจนี้เอง ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากความหลงไปรักไปชอบไปอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีแล้วก็ไม่พอใจอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากจะให้มีมากเพิ่มขึ้นไปพอไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือเวลาสูญเสียไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราสร้างปัญญาขึ้นมาถ้าเราสร้างปัญญาก็เหมือนกับเรามียารักษาโรคเวลาร่างกายไม่สบายถ้าเรามียารับประทานโรคก็จะหายได้เช่นเป็นโรคอาหารเป็นพิษเราก็รับประทานย า, ยาแก้พอรับประทานไปวันสองวันโรคอาหารเป็นพิษก็จะหายไป ร่างกายก็จะกลับมาเป็นปกติอั่าใดถ้าเรามีโรคทางใจมีความทุกข์ทางใจทุกข์ที่เกิดจากการแก่ก็ดีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีการตายก็ดีการสูญเสียสิ่งที่เรารักไปก็ดีหรือการสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่ชอบก็ดีเช่นพบกับคนที่เราไม่ชอบฟังเสียงที่เราไม่ชอบ เสียงด่าเสียงคาหาะนินทาอย่างนี้เป็นต้นพอเราสัมผัสเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาปัญญาก็จะสามารถดับความทุกข์ใจหล่างนี้ได้ปัญญานี้แหละที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ดับความทุกข์ของพระพุทธเจ้ามาก่อนแล้วจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าเลย พระพุทธเจ้าจึงได้นําเอาปัญญานี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ยังต้องทุกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้อยู่ถ้าเราเอามาจเจริญอยู่บ่อยๆต่อไปเราจะมียารักษาความทุกข์ใจใจของเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรเลยถ้าใจของเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็น บุคคลหรือเป็นวัตถุ ข, ข้าวของต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนล้วนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่อยู่คงเส้นคงวางเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างพอมาเรามาอยู่กับเราแล้วก็เขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเช่นดูลูกของเราเวลาออกมาใหม่ๆก็แบบอกนอนแบะบอกอยู่ ต่อมาก็ค่อยจเจริญเติบโตขึ้นมาก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูว่านอนสอนง่ายแต่พอโตขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความว่านอนสอนง่ายก็จะค่อยค่อยหายไปความว่ายากสอนยากก็จะตามมาความดื้อก็จะตามมาเพราะเขาเริ่มเป็นตัวเป็นตนของเขาเองตามติเลกันหาของเขาเริ่มออกมาแสดงพลัง ทดสอบดูว่าจะทําตามความอยากตามความโลภของเขาได้หรือไม่ถ้าพ่อแม่ยอมแพ้เขาก็ชนะต่อไปเขาก็จะชนะอยู่เรื่อยๆเพราะพ่อแม่จะต้องยอมแพ้ต่ อ, อไปพ่อแม่ก็จะสอนอะไรเขาไม่ได้แล้วก็ต้องมาวุ่นวายใจทุกกับการกระทําของเขากลัวว่าเขาจะต้องไปทําอะไรที่เสียหาย เป็นโทษกับตัวเขาเองและเป็นโทษกับของคนอื่นพ่อแม่ก็เลยต้องทุกข์ไปกับเขาเพราะไม่เข้าใจธรรมชาติของเขาว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่เป็นเหมือนตอนที่เขาเป็นเด็กตอนเป็นเด็กเราสอนก็ได้ว่าเขาได้แต่พอโตแล้วจะมันจะกลับกันเขาจะว่าเราเขาจะสอนเราตอนนั้นเราต้องพยายามทําใจให้มาก ถ้าทำใจไม่ได้เราจะเสียใจมากที่ลูกกลับมาสั่งสอนเรากลับมาด่ามาว่าเราเพราะเขาไม่มีปัญญาเขาไม่รู้ที่สูงที่ต่ำเขาไม่รู้กาลเทศ ะ, ะถ้าเขาไม่เข้าวัดเข้าวาไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนทางด้านปัญญาเขาจะไม่รู้ธรรมที่ทควรจะรู้เจ็ดประการคือรู้เหตุรู้ผล รู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะและรู้จักรประมาณเมื่อเขาไม่รู้สิ่งเหล่านี้เขาก็จะทำอะไรไปตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงของเขาพอเขาทำแล้วผู้ที่ต้องรับสัมผัสก็กจะต้องเสีย อ, อกเสียใจแต่ถ้าผู้ที่รับสัมผัสมีธรรมะคำสอนของพอาาระพุทธเจ้า ที่สอนว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนคนที่เราลักในวันนี้คนที่เขาลักเราในวันนี้ทุกนี้เขาอาจจะเปลียนเราก็ได้คนที่เขาชมเราในวันนี้ทุกนี้เขาอาจจะด่าเราก็ได้ถ้าเรารู้อย่างนี้ไว้ล่วงหน้าก่อนเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้พอเขาเปลี่ยนไปเราก็จะได้ไม่เสียใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจ เพราะรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริงสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็จะต้องปล่อยวางไม่ยึดติด ก, กับสิ่งต่างๆทั้งหลาย แม้แต่ร่างกายเราที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็เป็นเช่นเดียวกันเราก็ยึดไม่ได้เพราะถ้ายึดแล้วเราจะทุกข์เวลาร่างกายแก่นี้เราจะทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะทุกข์เวลาจะตายเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเรามีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะปล่อยวาง พอปล่อยวางได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายนั้นเองใจไม่ใช่ร่างกายใจเป็นแฝดที่ร่างกายเป็นแฝดน้องเป็นคนละคนกันร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปใจเป็นเพียงผู้คอยดูแลร่างกายเท่านั้นเองแต่เมื่อไม่สามารถดูแลได้ ก็ต้องปล่อยให้เขาไปทรงให้สั์เปล่าไปก็จบใจก็ไปต่อไปตามบุญตามกรรมต่อไปถ้ายังทำบุญทากรรมยังมีกิเลสตันหาอยู่ใจก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้ก็จะต้องไปหาอะไรต่อก็จะถูกอำนาจของบุญของบาปพาไปแต่ถ้าใจมีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์แล้วมีปัญญา ปล่อยวางได้ตัดความอยากความโลภต่างๆได้ใจก็จะอยู่เฉยๆไม่ไปไหนร่างกายตายไปก็จบไม่ต้องไปหาร่างกายอัใหม่เพราะไม่มีความโลภความอยากได้อะไรอีกแล้วนันเองนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้สร้างปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์ขึ้นมาในใจของท่านแล้ว ท่านจึงไม่มีความหิวความอยากความต้องการอะไรอีกแล้วเพราะใจของท่านมีความอิ่มมีความพอสลอดเวลาใจของพวกเราต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าเราหมั่นมาสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจให้สมบูรณ์ให้ได้พอเมื่อใจเราได้ปัจจัยสี่อย่างสมบูรณ์แล้วใจของเราก็จะมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอ ใจของเราก็จะไม่ต้องไปหาอะไรอีกต่อไปนี่คืองานที่พวกเรามาทำกันในวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันพระขอให้เราพยายามทำกันอย่างเต็มที่เพราะว่าชาตินี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานทางด้านจิตใจเพราะมีพระพุทธศาสนา คอยสั่งคอยสอนคอยเตือนคอยบอกอยู่ตลอดเวลาถ้าเรากลับมาเข่าหน้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีใครสอนใครบอกคอยเตือนเราก็จะมีแต่โมหะความหลงคอยสอนคอยบอกให้เราไปดูแลแต่ร่างกายให้เราไปดูแลแต่กิเลสตัณหาเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจจะหาความสุขใจไม่ได้เลย จึงขอให้พยายามสร้างปัจจัยสี่ในใจนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อความสุขความอิ่มความพอที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยึดติไว้เพียงเทาง่านี้ขอคุณพระศรีรัตนกรยและบุญกุณสมที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวั น, นสุขภาพะโดยทั่วหน้ากันเถิด